จากข้อ 11 นะครับผู้นําความราชการ พอใดเป็นนักเรียนการลาป่วยครั้งที่ปฏิบัติงานตามข้อนะนะ 15 นะครับข้อใดเป็นนักเรียน สายเกิน 9 ครั้งคาสายคือ 9 ครั้งงองูนะครับ 20 16 นะครับความผิด 1 เดือนปรับไม่เกินหรือทั้งจําทั้งปรับงองู 17 ครับความผิดสวนสอบสวนต่ององู 18 ครับโทษมี 5 20 สุธธรต่อพอฝายครับ อปปส. เขตพื้นที่การศึกษา 21 22 ก็ไปที่ออม อปปส. เขตพื้นที่การศึกษาพอฝาย 158 นะครับข้อที่ 1 ถ้ารัฐกิจพลเรือนหมายความว่ากไก่นะครับดูนั้นจะมี ข้อที่ 5 ข้าราชการปํรวน 2 ประเภทคือ 6 ข้อใดไม่เป็นประเภทของข้าราชการคน 7 ครับข้าราชการปํรวนสามัญมี 4 ประเภทขอปายข้อ 8 ตําแหน่งข้าราชการ 4 ประเภทคือบริหารข้อ 9 ครับประเภทบริหารมี 2 ระดับกไก่ต้นกับ 10 ครับประเภทอำนวย 2 ระดับต้นกับสูงกไก่ข้อ 11 ประเภทวิชาการจะ 5 ระดับคือข้อครับข้อ 12 ถ้า 4 ระดับคือก ข้อ 13 โทษทางวินัย D 5 สถานข้อ 14 ครับไม่ไร้แรงวง 15 ครับไร้แรงก็ปลดครับครับก็ต่อเนื่องเลยนะ 3 ข้อ เอาวาน้ํามาเลยนะถ้ากินทั้งนิดนะครับ 169 ความผิด ป.ร.บ. ปี 39 จะไม่มีการแก้ไขนะครับเอ่อร่างมูล รวมทั้งกรรมการด้วยเช่นอกคสออย่างเนี้ยเขาเป็นเนี่ยต้องรับผิดนั้น ถ้าเกิดความเสียหายเนี่ยผู้เสียหายจะต้องฟ้องต่อเจ้าหน้าเช่นนายขวัญเรือนเนี่ยนะยก นายคนนี้เนี่ยอ้าวเจ้าของขวาขอขอกับหายของเงินค่าเสียหายกับใครเพราะเขาปฏิบัติตามหน้าที่นะครับอันนี้ข้อนี้ รถไปตังควายก็ต้องอ่าชดชายแก่เจ้าของควายชดชายให้แก่หลวงและแก่บุญอย่างเดียว 5 ก็คือข้อ 6 ไม่ปฏิบัติตามหน้า นะครับดูมาตรา 7 ในกรณีที่ผู้อยากหาร้องหน่วยงานของรัฐถ้าหน่วยงานแห่งรัฐเป็น ฉะนั้นถ้าศาลไม่สาดวงพร้อมนะครับก็ 6 เดือนนับแต่คํายันศาลที่สุดหมาย ปรากฏว่าศึกษาโรงงานเสร็จอ่าส่วนเอานอกเส้นหางเอาเป็นสาขา<า> แต่อาการเหตุทําอะไรก็แล้วแต่หินหมีมากไม่รู้ว่าจะปฏิบัติตามหน้าที่หรือเปล่าเช่นพอโอเคให้บวกกับรถพา หน่วยงานเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าคนขับเมาหรือไม่เมาๆระเบียบออด 3 ข้อๆ1 ถ้า ไม่ใช่อํานาจหน้าที่หรือทําเกินเหตุรับผิดชอบแต่ระดับอยู่ นะครับหมายความว่าเขาสนิทเสร็จจะฟ้องร้อง 1 นะปีแต่ไม่ค่อยออกหรอกตัวอย่างข้อสอบจะเป็น ไอ้ทั้งนายดํานายแดงมัน 4 ตัวๆตัวซะประมาณนั้นกรณีนี้เนี่ยนะสั่งมั้ย ผอ. เขตสั่งเมาคําว่าเมาตรงนี้เรานะฉะนั้นเป็นความ ในคนขับรถนั่นแหละฉะนั้นกรณีนี้ก็กับเกรียมนะครับถ้าเกิดว่าอันเพราะเราไปทํา ถ้าเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่นะครับ 1.5 เท่ากับ การสูญเสียถึงการสืบทานใน 3 25 เท่าของเงินเดือนหลักพอเห็นมั้ยอ้าวอันนี้ และตารางก็สรุปมา 2 หน้าก็เป็นคอนเซ็ปต์อยู่ 3 แล้วก็นิติกรเข้าไปออกฉะนั้นเนี่ยก็เขาจะออกคอนเซ็ปต์ มันมันจะซื้อออกยากๆเลยนี่คิดว่าจริงผมสอบนะผมไม่เคยสอนให้คนสอบตกๆแต่ เสร็จ 2 ลงทุนครั้งหนึ่งครั้งเลือกท่านเนี่ยเขต 1 เนี่ยไม่เกือบล้านนึงนะเนี่ยหน้า 174 อ่า เพราะๆระเบียบนี้ผมว่าก็ไม่เกิน แสดงว่าแย่มากเลยนั่นเงินเดือนก็มีแล้วเมื่อไหร่จะครับ 175 เพราะเพราะตะวัน ต่อไปว่าหมู่องค์คนก้าวสานนะ 40 เอาข้อสอบเลยเน้นๆดินขี้รู้จักมั้ยถ้าบ้าน อย่ายังว่าละได้แต่นิทานก่อนดิดูตอนนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะดูกฎหมายนะครับดูกฎไม่ ข้อ 2 ตัวนี้เป็นหลักการเลยนะครับอยู่ในความครอบครองของทางราชการเพราะข้อมูลข่าวสารก็จะเป็นงานวิธีการทํางาน แต่ทางก็เป็นข้อมูลข่าวสารแต่ถ้าอยู่ในข้อ อยากจะเน้นในหน้า 176 บุคคลดาวในเช่นอะไรบ้างเช่นการเนี่ย หมอรักสุขภาพเห็นมั้ยเราไปอยู่โรงพยาบาลเห็นมั้ยหมอขอให้ก็ไม่ได้ต้องเจ้าตัว สมพรเพริศก็จะจับมือจับทีละนิ้วจับทีละนิ้วความ มีประวัติเอามีประวัติฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ตั้ง ถ้าบนปรับนะครับจะมีนะครับกอภิบาลยึดมือเราถ้าเราสมมุติได้สมรพริกก็จับและเร็วๆนี้นะมี พรบ. ล้างบน เพราะฉะนั้นที่ก็รับความผิดรับโทษไปแล้วก็จะกลายคือกบ 7 นะครับเป็นประวัติๆนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลส่วนบุคคลถ้า 20 กี่คนหมายถ้า 176 จะเปิด 1 ดูเลย ก็เนี่ยถึงมาแต่เดี๋ยวดูที่จอกันก่อนนะครับว่า <ข อ. S 1> ไม่จะเปิดไปได้หลักผมเป็นพูดละเมาเท่าใดเนาะได้เปิดไปได้ดูหลักเกณฑ์แรก เขาให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยต้องเข 5 เรื่องคือ 1 โครงสร้างและการ 2 เนี่ยอำนาจหน้าที่สําคัญเช่นหนูไปหนูก็จะบอกว่าคนนี้ทําเกี่ยวเรื่องบัญชีการต่าง กฎมติมติ ครม. สิ่งที่จะต้องพิมพ์เค้าพิมพ์ลงอยู่ การเปิดเผยโดยจัดว่าจะต้องให้ประชาชน 1 มีอะไรบ้างนะข้อเช่นเรายื่น 2 <d iam ond> นโยบายหรือการตีเช่นเขตพื้นที่ได้งบ <d iam ond> คู่มือคําสั่งเกี่ยวกับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ละซึ่งมีบนอัตถบต่อศีหน้าที่ของเอกชนยก สัญญาเขาสามารถขอดูได้เขาสามารถขอดูได้เช่นเขานี้เราไปเห็นว่ามันบ่คือยังไงดูได้นะนอกนั้นกรรมธิคคม ต่อไปในเรื่องที่สําคัญก็หมวด 2 หน้า 170 ครับข้อมูลต่อไปนี้ 14 นี่สําคัญ แต่เปิดเผยไม่ได้นะครับมาตรา 15 มีอยู่ 2 มาตรา 1 ถ้าว่าข้อเช่น 1 นะครับ 1 เปิด ละเมิดประเทศยกตัวอย่างเช่นข้อตกลงบางอย่างระหว่างไทยกับกัมพูชาอย่างเงี้ย ครับอ๋อคําแนะนําอันนี้โอเคบางอย่างมันเป็นข้อเท็จ 4 นี้สําคัญการเปิดเผยก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและความครับ <ส ะ. S 1> ที่สําคัญก็อ่า 5 ก็คือข้อมูลส่วน จะประชุมกันว่ารักษาโรคนี้เอา 6 นั้นก็มัน 5 ข้อ 4 นะ 2 เพิ่นนะ 17 บรรทัดเส้นข้างล่างนะแต่ว่าเปิดเป็นหน้าใหม่จาก ขอให้ลงเสียค่าค้างหน้า 181 มาตรา 24 หน้า 124 เอ่อมาตรา 24 บอกว่าหน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความดูแลของตนนั้นนะครับต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นเนี่ยอยากได้ ยกเว้น 1 ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับต่อเจ้าเช่นโอเคเขต 2 เขาเรียกขอได้เพราะว่าคน เพราะเพ 4 เนี่ยประโยชน์ของการวิจัย 5 ต่อประมุขเหตุอัน 4 ใน 182 ดูนะ 26 สําคัญนะครับข้อ ก็ให้ส่งมอบแม่แก่หมอเจ้าหมาย 183 ว่าข้อ 14 ก็คือเรื่องของ 75 ปีเห็นมั้ยผมยกตัวอย่างเช่น 8 สวนนครเนี่ยก็ 75 ปีนะ 15 เรื่องๆที่เราจะเช่นเปิดเผยเรื่องเกิดเสีย ดังนั้นครับกฎ จะเน้นขั้นต่อไปนี้ด้วยนะครับ เอ่อมันเป็นเรื่องชาติปี 52 แก้ไขปี 54 ใช่มั้ยครับแต่โคราชเขต 7 ยังเอาโอ้ยก็ได้แจ้งให้หนัว ส่วนที่ที่เขาประกาศกฎหมายใหม่ก็อาการกฎหมายใหม่แต่หน้า 224 อยาก อาการแรกก่อนจารกรรมกับก่อวินาศกรรมเมนๆให้ได้ความลับจารกรรมก็คือ ความลับระเบิดเผยแล้วก็บ่เป็นความลับอีกแต่ของลับเปิดแล้วเปิดอีกก็ยังเป็นของลับฉะนั้นการจารกรรมคือให้ได้สิ่งขโมยเอาความลับของทางรัฐการยกเช่นเขากําลังเฮ็ดข้อสอบเดี๋ยว อ้าวก็จริงนะครับไม่วางไว้เฉยๆก็ก่อมิน่าสงกรรมต่อเนี่ยเค้าเรียกว่าก่อมิน่าสงกรรมคือ 225 เอาแต่คอมเมนต์ต่อ ไว้ทําไมนี่ผมไปบรรยายให้แก่ทางยิ้มภาษาของราชการคืออะไรเปิดในพจนานุกรมตัวยิ้ม วรรธลายคือมูลที่ 3 ก็คือให้ขันแตกแย่นะให้แตกแย่ตามกันนะจารกรรมก่อ ต่อไปมาดูหน้ามาดูหน้า 124 กันมาอีกครั้งนึงนะครับเนื่องจากระเบียบเก่ามันมันอยู่ข้างอยู่ ของเมาคือใบประจํากายได้บริพันธ์ยุทธพันธ์คือเก้าอี้ข่อยบ่แม่น ที่สมวนบางอย่างเช่นที่เขาออกข้อสอบเขาไปเก็บตัวสอบเข้าเชือกตันบายเนี่ยนี่ที่สมวนหน้าไปกันหรือว่าถังประปาอยู่ข้างบน อ้าวไหนมาก็สายเสร็จแล้วเขาจะล้างเนี่ยประสบการณ์เล่า <า>ค่าแรงดึงกระทั่งยุธบัตรของหนักหรือของเบาเบาเออเปิดกลอนอ๊อดอ๊อดภาษาหลัก มีหลักการว่าอย่างนี้นะข้อใดคือหรือว่าไม่ใช่หลักการก่อนนะ 1 เขาว่าการรักษาความเช่นเอาเมียไปพิมพ์ คสอ. ปอ คสอ. ผัวอยู่เฮือนก็จะไปถามว่าให้อยู่ 2 การป้องกันอย่างเดียวเนี่ย 3 ต้องมีจุดอ่อนน้อยที่สุด 4 ต้องตรวจมาตรการเป็นประจำ 5 ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทํางานโอ้ยรักษาความปลอดภัยดีขนาดห้องนี่ก็ มันเป็นประสัดๆตำรวจเขามาอยู่เรียนนะเคยนี่คนกรรมการออกคนสอบ ตามวังคงเข้มพี่กินข้าวกับพี่ออกข้อสอบคนละที่นะครับอ่าออกข้อสอบเค้าไม่มีคุยกันเสียงดังนะข้อกฎไวเลทตัดหมดเลย ก็ตามง่ายๆก็คือ 1 ปลอด 2 เอกสาร 3 สถานที่เท่านี้แหละการรักษาความดูนะครับหน่วยงานหรือว่า ระเบียบเก่าปี 17 ใครไป 1 กรมประมวลขาวกลางปีนี้เกด 2 ถ้าทหารน่ะก็เรียก สารคามครองฉากฝ่ายคนเรือนนะครับศูนย์รักษาความปลอดภัยฝ่ายกองทัพและก็กองมา รับโทรศัพท์บอกเมียไม่ได้ต้องปิ้งมันก็ต้องไปไม่ชั้นความที่ 18 ข้อ 2228 ชั้นความลับตามระเบียบ 4 ชั้นระเบียบ 3 ชั้น อ่าดมจังดิรู้มั้ยเขนขดมจังกับสังเกตได้ว่าอะไรถามเช็ดๆก็ไม่รู้ฝรั่งที่กับปิดใจก็ไปถามเช็ดเช็ดก็ตอบ ก็คือว่าระเบียบเก่ามันมีปกปิดด้วยคือว่า 3 ชั้นเท่านั้นฉะนั้นเขตพื้นที่กับ อบต. ออกไปครับโคราชตามไม่ สำหรับผมเอกสารเนื้อ 2 540 ครับคือได้กฎหมายที่แบบๆนะครับชั้นความรักของเอกสารจะมีอยู่ 3 ชั้น ดูรับพิษุผลออกมาถ้าใช่ส่วนกับส่วนหมอยักษ์บอกว่าครับให้เป็นสังเกตดูที่เสีย เนอะปกปิดนี่สําคัญปกปิดก็คือเขาบอกว่าครับนะว่าข้อสอบตอบ ตรงเลยว่า 3 ชั้นนะตรงนั้นแล้วก็ถามว่าเหมือนท่านรองผู้ ครับโอเคครับท่านครับดูตัวอย่างข้อสอบมาสำหรับนะความลับทั้งหมดหรือบางส่วนรั่วโอเคตอบได้แต่เป็นภาษาอังกฤษ ต่อไปการเก่ากําหนดไว้ระเบียบเก่ากําหนดไว้แต่ว่าทุกวันนี้ไม่ค่อยออกแล้วน่ะนะเพราะว่าตัวใหม่ยังไม่ได้กําหนดไว้ระเบียบ พอเขาไปดูได้ทั้งทั้งเธอที่สังเกตเขาให้เธอมาเป็นพิมพ์ลายนิ้วมืออยู่ที่สถานีตํารวจนั่นครับเป็นการ อ่าต่อไปนะครับดูการกําหนดชั้นความลับชั้นความลับ 228 นะครับผม 228 ดูนะครับเพราะ ความลับเนี่ยเค้าให้ประทับหรือเขียนชั้นความลับที่กึ่งกลางหน้าล่างลับปกปิดอะไรก็แล้ว ตัวอักษรตั้งตัวก็ปฏิสีอะไรก็ได้ที่เห็นเด่นชัดถ้ายกตัวอย่างเช่นถ้ากล่องหน้าต่างสีดําแล้วจะประทับสีแดงเห็นชัด หลังด้วยอ้าวฉันขอรับด้วยมันเป็นเรื่องธรรมดาหรอกนะครับข้อสวนไหนเมื่อกี้อย่าง ที่ตั้งปกหลังด้วยใช่มั้ยครับอ่าเดินง่ายๆดูถ้าเป็นชื่อ วัสดุอื่นๆยกตัวอย่างเช่นอย่างเงี้ยเค้าบอกว่ายังไงๆใช้นี่ก็ 245 245 ดูนะฮะต้องมีสักครบต้องมีสักวันก็อยู่ตรง ที่เข้าถึงความรับนั้นๆนะครับอีกอันที่ 2 ก็คือที่เราจะออกคู่ไปปกเอกสารของเดิมที่ท่านจิระ ผู้เรียนใบคือสีคือเลขมังก็ว่ากันได้ใบเป็น 8 9 10 รปภ. 11 ชอบให้ทดสอบนะครับใบแบบนั้นครับไปปก เห็นแล้วรู้บารักษ์ที่สุดเลยเหลืองแดงแล้วเงินเขียวจบมั้ยนะครับจะไล่ 8 9 10 11 รบ. 8 รบ. 9 รบ. 10 รบ. 17 นะครับกล่าวใหม่ ข้อ 2 ข้อ 2 ข้อใดถูกต้องคําเป็นข้อสอบดูเนี่ยครับอัน ช่วงท้ายนั่นแหละครับไม่ต้องไปช่วงท้ายอ่า ลึกนะครับคือตัวนี้แล้วก็ตาม พรบ. เรื่องกับ พรบ. พรบ. การครูนะครับต่อไปนะครับงานสารบันหน้า 206 นะครับ 206 ที่เกี่ยวกับความรับ 3 หน่วยงานจําให้ได้ใบปกเอกสารรับเหลืองแดงหรือน้ําเงินเขียว 3 ชั้นเท่านั้นเองอย่าลืมว่า แล้วกฎหมายที่ท่านรอหมดเรือนกําลังจะคุยท่านฟังได้คือระเบียบสํานักนายกมณฑลบริว่า ถึงต้องรู้เกี่ยวกับอย 4 อย่างครับครับหน้า 206 ท่าน 3 ไม่ 6 ชนิดหนังสือมีกี่ 2 การ 3 การเก็บรักษาหนังสือยืม 2, 2> เป็นไงครับ สี่เหลี่ยมเป็นข่มครับข้างบนนะต้องรู้ว่าบังคับอะไรใดนะครับตั้งดูนะครับดูงานสารบันคืออะไรประเด็นแรกเลยสารบันคือการบริหารงาน คิดคือเริ่มแบบนี้นะครับคือเริ่มแบบการเกี่ยวกับอะไรตั้งแต่การ <อ>มาดูถูกมั้ยดูข้อขควายบ่แม่นข้อขครับอย่างว่าใครนะครับ ปราสํานักนายกภูมิไม่ได้ครับผมต้องท่านคิดด้วยหน่อยให้จะถามตรงนี้พูดง่ายๆนะโอเคนะครับก็ใช้กับทุกกระทรวงทุกไปข้อตัวนี้สําคัญหนังสือ 3 อยู่ปกการหนังสือราชการคือเอกสารที่เป็นหลักฐานในในราชการนี่คือความหมายหรือจากศาลากลางจังหวัด 2 หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือเรเร 60 เราจะ 3 หนังสือเช่น เราเขียนหนังสือไปเรียน ผอ.เขต เมื่อไหร่หนูจะได้บัญจุคะลงชื่อหนูเรียบร้อยขอข้อมูลข่าวสารหน่อยเป็นข้อมูลจากส่วนเยอะแยะเลยครับบันทึกหนังสือรับ การอยู่ 5 เอกสารที่รัฐการจัดให้เป็นตามกฎหมายระเบียบหรือข้อนะแล้วก็สําคัญ นี่ครับ 10325 มันก็คือหนังสือราชการใช่มั้ยฮะเรามา 6 อย่างมันสําคัญ 6 อย่างก็คือเราเห็นมั้ยหนังสือภายนอกภายในประทับดาสั่งการประชาสัมพันธ์และหนังสือเจ้าหน้า การดูก็สอบเอาเลยไปก่อนที่จะได้หนังสือภาย 1.5 ซม. กับ 3 สูงนะ ไม่ได้เอารอบเอวไม่เกี่ยวกับพดหน้าธนาคารกรุงเทพฯ 3 ติดต่อระหว่างส่วนราชการหรือส่วนราชการที่ไม่ใช่ส่วนคือไปหาพวกเราเค้า คือหนังสือที่ว่าภายในเป็นพิธีน้อยกว่านะว่านั้นนี้ได้ออกคําครับอ่าดูครับครับมีตัว อ่าหนังสือภายในคนเช่นหนังสือ เป็นหนังสือของปกติเลขาเป็นคนเซ็นแต่ตัวนี้เขาบรรทัดรางของ นี่ตัวอย่างนะท่านคนที่ไปรับตราแทนๆเนี่ยมันไม่ใช่ เราบอกว่าเราส่งเงินไปให้ สพท. ในกรณีเงินที่เราไม่ได้เข้าบัญชีแล้วส่งไปพอได้คําว่าได้รับ 2 แจ้งผลงานเนี่ยดําเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการ เรื่องเรื่องของที่หัวหน้าส่วน 2 เรององ 1 <ม. S 2> ใดที่ไม่สามารถใช้กับหนังสือประทับผมให้จดข้อปล่อยไว้ อ่าตอนนี้เมื่อกี้เราผ่านหนังสือภายนอกมามันมีข้อสอบเกิดขึ้นมันลงรายละเอียดก็คือว่า ครับงงูคือครับครับไม่มีคําว่านี้นี้ก็เดือนนี้มีวันที่กงงูหนังสือประชาตราแล้ว 4, ององคร 4 5 คือหนังสือ หนังสือสั่งการมีอยู่ 3 ชนิด 1 คำ ลำไประเบียบคือข้อความที่ผู้มีอํานาจวางไว้ เขาบอกว่าบรรดาข้อความที่ผู้มีอํานาจนะไม่ใช่พลเมืองประชาชนผู้มีอํานาจ ถือเป็นหนังสือผมวางไว้หรืออาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ถ้าเป็นข้อบังคับกำหนดให้ใช้ต้องอาศัยอะไรครับผมอำนาจทางกฎสำคัญตัวนี้เค้าจะเป็นผล ประกาศก็คือข้อความที่ทางการชี้แจงให้ทราบหรือแนะในทางใช้ ถ้าเป็นข่าวก็คือเลยแพร่ให้ทราบสำคัญก็คือไม่ นะครับพอเป็นข่าวไม่มีตราพรนะครับสรุปแล้วครับ 3 ลิสต์คีย์เวิร์ดมันอยู่ในอภิปรายคือชี้แจงให้ทราบแถลงครับเคย ตรงนี้ก็ทําทําเข้าใจกันไว้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ๆนั่นแหละเช่นหนังสือรับรองหนังสือ ไปดูวิธีการทําการประชุมนะการสารบันนะครับก็วาระการประชุมนี้อยู่ 5 วาระหน้า 5 ระเบียบว่าเรื่องอื่นๆซึ่งเลขาไม่ใช่ภาพ อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นหนังสือที่เจ้าหน้าที่อย 6 ซีรีส์ภาพคร 6 ครับคือหนังสือสรุปมีกี่ชนิดครับคร 6 ชนิดนี้ถ้าจะต้อง หนังสือสังหารมีอยู่ 3 ฉบับจะต้องไปรูปความหมายมัน หน. 3 ฉบับจะต้องไป 4 ฉบับนะครับอันไหนใช้พรุธไปใช้พรุธดูเรื่อง มาได้ถึงขั้นขั้นเดือดเนาะครับหนังสือที่ปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ 3 ประเภทด่วนที่สุดถือไปโอเคนะอัน จำคอดเก็บไว้ได้เขาไม่ออกน้องหน่อยอย่างนี้หรอกคือเป็นข้อ 32 พอยต์ บนซองบ่วนที่สุดบนนะครับไม่ใช่อยู่กรมการตรงส่วนมากก็จะเห็นอยู่ที่ที่ สทอ. เป็นฉบับจริง 1 เปฉบับสำเนาอีก 2 เก็บไว้ที่ตัวเจ้าของเรื่องโอเคต่อไปโปรดสําเนานะครับสําเนา 3 ฉบับนั่นจะฉบับจริง 2 สำเนาผู้จบบัตรนั่นคือแผ่นที่เท่าไหร่ครับผมแผ่น 2 ตัวสำเนาแหละครับผมตัวสำเนานี้เราสามารถเอาไปถ่ายเอกสารได้มั้ยครับครับตัวสำเนา like 3 ก็ได้ใช่มั้ยครับท่านครับครับผมซึ่งสำเนา เราว่ามีอยู่ 3 อย่างนะครับระวังตัวลงนะครับเพื่อนด้านล่างนะครับความสําคัญคือตรงนี้วงเล็บ 4 การสําเนาหนังสือสมมุติ 2 ขึ้นไปคือเราว่าปฏิบัติงาน มันเป็นข้อสอบบ่อยนะครับคนที่จะรับรองสำเนาถูกต้องได้ 2 ขึ้นไปนะครับอ่าหนังสือเวียนก็มีมอบอำนาจนะครับต่อไปนะครับหนังสือ 2 ใน 2 หนังสือการรับส่งเนี่ยเขาให้เรียงลําดับขั้นตอนใน 4 ช้อยส์เนี่ย อ่าจัดลําดับความสําคัญความเร่งด่วนประทับตามุมบนด้านขวามือนะครับลงทะเบียนรับแล้วก็จัดแยก ให้คนแยกกันตําหรับความเร่งด่วนก่อนนะครับแยกกันอันนี้คือที่สุด จะส่งส่งตัวศึกษานิเทศไปบัญจุๆธุรการจะได้ โอเคนะ 3 การเก็บรักษาหนังสือมีกี่ประเภทอ่าการยืมใครมี 3, 3 อย่างข้อใด เก็บระหว่างปฏิบัติเก 2 เก็บ 3 เพื่อการตรวจสอบเท่านั้นนะ 3 ประเภทถ้าไปดูได้ 212 เก็บระหว่างปฏิบัติไม่เท่าไหร่ อ่าการเก็บรวบรวมปฏิบัติก็เริ่มกันอย่างนี้เราโอเค 2 ส่งหนังสือทั้งหัว สองสอง 2 ครับแต่ว่าเก็บถึง พ.ศ. 2500 78 อย่างนี้เป็นต้นท่านดูนะครับข้อกไก่กับขไข่หนังสือที่ต้องเก็บ ทำไมถึงไม่เอาสีอื่นมันมีที่ระดับ 2 สีเท่านั้นครับอ่ามีดาวขายต้องตลาดนะครับปีต้องไม่น้อย 10 ปีวงกลม 1 หนังสือ 2 สำเนาของ 3 ประวัติลักษณะสถิติๆเนี่ยเขา 5 ปีฉะนั้นสอบ นะครับสำนวนการสอบสวนเป็นยังไงเกี่ยวกับครับไม่น้อยกว่านะ 5 ดีนะไปถึง กกส. เนี่ยมันต้องรู้เรื่องจุดริมอย่างเดียวถ้านึงสิมันจะ หนังสือที่ต้องสมวนเป็น 179 ครับผม ข้อมูลข่าวสารที่จะเปิดเผยไม่ได้มีอยู่ 2 ชนิด <15. S 1> 20 เมษายนโอเคนะครับผมเนี่ยนั้นกลับขึ้นมาหน้า 212 เต็มครับครับดู 5 ปี คำนี้มัน 10 ปีหรือ 5 ปีแล้วก็ทําการอบรมประสู่กันครับนะครับแต่ว่าผมเกือบจะรอมา 5 นะท่านดูในหนังสือประเภทใดครับ <โ อ. S 1> 5 ปีเก็บไว้ 1 ปีปกติต้องเก็บ 10 ปีแล้ว นักศึกษาจะเป็นรู้ตัวเนี่ยแล้วจะนึงเคยหนังสือประเภทใด <Bref. S 1> หนี้ผู้ยืมจะต้องน้อม 4 การยืมหนังสือข้อ 3 กับข้อ 4 ครับ ว่าการยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการผู้ยืมและผู้ผมข้อ 2 สําคัญที่ข้อ<พวก S> 2, <ว> 2> การ การทำลายเนี่ยภายใน 60 วันหลังจากสิ้นปี 60 วันก็ให้เจ้าหน้า ครับตอนนี้นะครับนานๆตอนนี้ก็เว็บขอตั้งในในนั้นเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็ว่าใครมีอํานาจตั้งพระราชการทําลายหนังสืออยู่ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่ครับผม ต่อไปครับกรรมการดู 3 คนเป็น 4 3 ขึ้นไปก็ใครที่ 2 นักต่างๆเนี่ยก็ได้แล้ว 2 อ่าดูอย่างเนี้ยขอทวนนี่ครับอ้าวทวนเออบนจอก็มีอ่าจุดจอชื่อนี้นะครับอัน มีชื่ออักษรไทยโอเคอยู่ด้านขอบด้านล่างแต่ถ้ามี 3.5 ซม. วง 15 ซม. ครับผมโอเค ผมเจ็บใจจริงๆครับงานสอบบังผมก็ A4 ซึ่งเป็นกระดาษมาตรฐานครับมี A4 นี่เป็นกระดาษ A4 ขนาดของดับเบิ้ล A ดับเบิ้ลเออน่ะขนาดนะครับ 21 cent. คูณ 29.7 ซม. นะครับถ้าถ้าถ้าเป็น ซม. ถ้าเป็น มม. ก็อย่างนี้นะฮะเื้อย A4 ฉะนั้นกระดาษ a 210 มม. Mm หรือ 21 ซม. นะครับท่านครับ 2 ด้วย 297 มม. ก็ 29.7 ซม. นะครับนะซองก็พับ 4 นะครับก็คือนะขนาด 46 นะครับ DL ก็ซองเป้าหมายนะเข้าไปครับ 206 ครับดูใหม่อ่านี่ 1 ให้ ให้เปรียบรูณความหมายของหนังสือราชการแล้วให้ดูว่าหนังสือราชการมีกี่ชนิดแต่ละชนิดมีความหมายเป็นอย่างไรข้อ 2, 2. การรับและการส่งหนังสือราชการขั้นตอนแรกของการรับหนังสือราชการทําอย่างไรข้อที่ 3 การเก็บรักษาหนังสือ การยืมใครมีอำนาจในการยืมระหว่างสื่อและหน้า 217 จำไว้ฝ่ายช่างเทคนิค เชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรมาเปิดป้ายสำนักงานเกษตรท่าน ลักษณะม้ามันออกข้อสอบกับบุคคลธรรมดาที่เป็นประธานองค์มนตรีนายกคณตรีปธารัฐบาลประธานพาณิชย์เห็น เรียนว่าด้วยเหมือนอย่างที่มีมีนะอันนี้ก็คืองานสารบันนอกจากนั้นคอนซอร์ทคณะที่ธุรการด้านงานการทํารายงานการประชุมซื้อหนังสือได้มั้ยโอเคซื้อหนังสือไปนักจากงานจัด ทั้งหมดหมดครับแม่กระทําขั้นต้นอะไรต่างหน้า 249 ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งและสังคมชาติ เจ้าภาพที่เสด็จแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ครับจะใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ครับอย่างไรครับแผน 11 ครับ 1 ตุลาคม 2554 ครับนั่น 55 ครับจะใช้ การเน้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปัจจุบัน 8 ท่านขีดได้ก็เน้นคน ปรัชญาสถิติพอเพียงท่านจรัญครับเคยออกข้อสอบปรัชญาสถิติพอ ที่เหตุผลเนี่ยมีครูทุกท่านในตัวครับ 236 นะที่ 35 คงอยู่แล้วข้อเนี่ยๆ ออตตอนเป็นผู้อเมริกันกระทาศาศาลพาลองพาลองนะครับผมรับผมเลยบอกท่าน นิ밋 ท่านจะต้องไปศึกษาภาษาอังกฤษใหม่นี่เพราะฉะนั้นคือฝรั่งครับมันเป็นส่งเออ รูปปลาลุงวิ่งครับผมเดี๋ยวนี้พลังมาให้นั่งพูดพูดพลังได้เต็มแม่ง ก็ครับกําลังเอาเรานะผลกลุ่มเราพอรู้ว่าทีหลังจะหนึ่งพอ 2 มีเหตุผลมามีเหตุผล 3 มีผูกกันภัยที่ดีมีผูกกันที่ดีใน ไปดูหน้า 250 วิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจังหวัด ท่านจะต้องดูวิสัยทัศน์ของการปฏิรูปขอการเป็นรูปกันครับ ก็ไปดงภารกิจภารกิจจะทํายังไง 6 ยุทธศาสตร์ครับแต่ 25 นี้เป็นฉบับ 1 ตุลาคม 2554 ซึ่งเป็นปีพุทธานปี 55 นะครับแล้วก็ยืนยึกอะไรอยู่ครับผม 100 คะแนนเต็มๆและผมจะว่าผมจะเอาในเรื่องนี้ไปออกแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยครับ วิเคราะห์สอบวิชาเฉพาะตําแหน่งของท่านนอกเสียจาก 100 ข้ออยู่ใน 100 ข้อได้ผมคิดว่ามันจะเป็นกฎหมายซะประมาณ อืมวิชาชีพตำแหน่งของท่านคณะที่ 2 ภารกิจจะสอบนักวิชาการศึกษา 2 กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มอะไรครับท่านกลุ่มส่งเสริมการ 2 จะต้องไปทํางานก็ พรบลูกเสืออันนี้แล้วให้เป็นเน้นพรบโรงเรียนเอกชนครับพรบครับ <PTSD> e 200 แนว 18 นะครับนั่นคือบทบาทหน้าที่ 300 บาทครับอันนั้นมันเป็นของปลอม ถ้าใครทําครวโรงเรียนนี่จนได้แล้วก็นัก Uh เขียนผมเครียดปกโครนิคอย่างจบไปนะครับตอนนี้ผม จุดแรกซื้อเล่มนั้นครับลอยมาตั้งแต่นู่นคณะกรรมการพัสดุจนถึงสุดผมเน้นไม่พลาดเลยถ้าเกิด สารวัน 2526 ฉบับที่ 2 2548 ฉบับเต็มครับผมท่าน 2 ส่วน นายไข่ 2 นักวิชาการการเงินกรรมการทีมงานครับผมผมเรียนท่านศึกษาครับท่านก็ทําส่วนมันมีส่วนนึงที่ของระบบบัญชีเบื้องต้นผมเลยเอาระบบบัญชีของสํานัก ระบบ GF MIS มันมีรหัสอะไรบ้างวิธีการมันเป็นไงให้ไปหนักคือเจ้าหน้าที่ผลงานทั่วไปนั่นแหละครับผมคนที่สอบนักจัดการงานทั่วไปนี้ให้ไปดูระเบียบงานสัมภาษณ์สอบเต็มหมดกันประเด็นที่ ลดของส่วนราชการการใช้ลดของส่วน 3 ให้ดูการใช้พื้นที่ของส่วนราชการครับผม เน้นหนักการจัดทําแผนปริญญาครับแล้ว ฐานข้อมูลของสาธารณสุขแห่งของเองของสธนะครับ PU ไปปรีโอเบกอาจารย์ลงนักประชาสัมพันธ์เนี่ยเจ้าไปเฝ้าในห้อง 2 ข้อระเบียบที่เกี่ยวกับการรับตรวจเนี่ยนะครับนักนะครับนะโอเคมั้ยนักนักมีงานได้แล้วจากเสร็จพิธีมีในครับอีมี่คืออะไรอีมี่วีลีนะ โคบบีโอเบกบีนี่คือโดนิ่งสิงห์ขอทานเนาะยกเลยครับอาจารย์ครับครับโนนักทรัพยากรมนุษย์นักทรัพยากรคือนัก เอ่อตรวจสอบภายในธนินสีการเรียนคือตรวจสอบภายใน เมื่อกี้เค้าเป็นหนักของ รพ. เกดที่ความใหญ่เมื่อกี้เนี่ยผมอาจารย์จรณและทีมงานออเชนเตอร์นะครับอ่ะนะนิติกรนิติกร ครับอันนี้เลยนะครับอ่ามาต่อเลยนะครับดูไปหน้าแฟ ข้อ 5งงูข้อที่ 6งงูข้อที่ 7งงูข้อที่ 21 โมง 22ขไข่ 23:00 น. 24:00 น. 25:00 น. ต่อไปมี 172 ครับเพราะว่าจัด 1 ข้อที่เดิม 172 เลข 9 7 อยู่ 2 หน้าหลาน 1, หน 2> หน 1> นะ ข้อที่ 3งงูข้อที่ 4ขไข่ข้อ 5ขไข่ข้อที่ 6คไก่ข้อที่ 7คไก่ข้อที่ 8คควายข้อที่ 9คควายข้อที่ 10งงูถ้าไปดูคนตัวเองเอาไปหาซะหาด้วยนะคะอ่านดูนะอ่านด้วยข่าวสาธารณรัฐการ 187 187 นะครับเดี๋ยวเรา 187な pattern ข้า必ื่อว่าที่ 1 คอคลายค으ปเนี่ยชวพลิตข้าที่ 2 ง.ค ข้าที่ 3 ง.ค อค pues สี่ facilities คนออกปีข้าติชวิคลง¶ป opposite นะเถก นelles poli ข้าที่ 7 ง.ค Erin Kamoaiaiaiaiaiaiaiai Commander ข้าที่ 10 ครอาที่ที่ 1 คอคลาย a p p good อย่างนันได้ที่ 2 -ออกคลายaj e br punished ชวิคลง 고�ลิต นั้นได้ totsที่ 4 mer a b 12คควาย 13 งู 14ก15งงู 16คควาย 17ข18งงู 19ขไข่ 20ขไข่ 21งงู 22คไก่ 23คควาย 24ข 25กไก่ต่อไปครับบ้านเมืองที่ดี 2 103 ครับ 203 203 ครับ 3ปฟางข้อ 4งงูข้อ 5งงู 10กไก่ 17กไก่ 12ข13ง14ค15ก16 ขอไข่ 17ม18ก19ง20คควายต่อไปไปดูครับ 246 5246 ข้อ 1ก1 นะครับข้อ 1ตกไก่ข้อ 2คควายข้อ 3งงูข้อคควายข้อ 5 ข้อ 10งขอไข่ 12 ขอ 13ง14กไก่ 15ง16กไก่ 17 ขอ 18 ขอไข่ 19 นะครับ 20ง ในระเบียบนี้เขาบอกว่าให้เขียน 21 นะฮะโอเคนะครับการเขียน กไก่ 25 ขอไข่ไข่ผมฝากให้ท่านนัก จงบรรดาได้คู่เข้าร่วมการฝึกอบรมที่เคารพครับ พี่ไม่